กล่าวในเรื่องของคําว่าอารมณ์อารมณ์คืออะไรวันหนึ่งเราต้องใช้ตาหูจมูกกลิ้นกายใจเราต้องใช้ตามีหน้าที่เห็นรูปหูมีหน้าที่ก้องเสียงจมูกมีหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นมีหน้าที่ ในการที่จะลิ้มรสต่างๆใจเก็บอารมณ์สาหรับที่จะเก็บอารมณ์ให้รู้อารมณ์รู้อารมณ์อารมณ์ก็มีหลายประเภทอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจมีสารพัดที่นี้เมื่อเราขาดสติ มันก็เก็บอารมณ์แมมโมรี่เอาไว้ในสมองได้เวลามันก็ปล่อยออกมานั่นคือที่เก็บเอาไว้ I. ที่เก็บเอาไว้ I, ไม่รู้ว่าดีหรือว่าชั่วหรือว่าเป็นอะไรก็ทําให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นทุกข์ก็เก็บไม่ได้ เป็นจุก็เก็บไม่ได้มันต้องสลัดทิ้งทั้งนั้นนี่คือเรื่องของอารมณ์ทีนี้หลวงพ่อก็สงสัยหลายสิบปีแล้วสงสัยในเรื่องของอารมณ์ก็เลยเมื่อก่อนงานมันก็ไม่ได้มากอย่างนี้ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะเราอยนหลององถามองค์ ก็จับรถรถขึ้นรถเมย์นะไปหาท่านอาจารย์พุทธทาสออกไปถึงก็พอดีท่านเขาอยู่ข้างๆกุฏิดูต้นไม้ดูปลาดูอะไรไปก็ได้โอกาสเพราะไม่มีแ ข, ขกก็เลยกราบตามท่านว่าท่านอาจารย์ครับแล้วพระอรหรันต์ ท, ท่านทำจิตใจยังไงท่านก็ตอบว่าพระอรหันต์ไม่มีอารมณ์นี่ก็เท่านั้นท่านพูดเท่านั้นพระอรหันต์ท่านไม่มีอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจอารมณ์โลภโกรธหลงโง่อิจฉาลิษยา ที่นี้ไมจึงไม่มีอารมณ์เราก็ต้องเอามาปฏิบัติคือท่านก็เตรียมพร้อมแต่รดเวลาพอได้ยินพอใจสลัดทิ้งไม่พอใจสลัดทิ้งโลภสลัดทิ้งโกรธโง่หลงสลัดทิ้งนี่คือสติที่ประกอบด้วยปัญญาอสลัดทิ้งหมด ท่านก็อยู่กับจิตว่างนะั่นอยู่กับอะไรทีนี้จิตที่ไม่มีอารมณ์ก็คือจิตว่างทีนี้เรานี่รับอารมณ์เอาไปกกเอาไปฟักจนเกิดลูกเกิดหลานแล้อยู่กับอารมณ์อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ร้ายบ้างอารมณ์พอใจบ้างไม่พอใจบ้างอารมณ์เฉยๆบ้าง อย่าง็รดทำงานไม่ว่าที่สำนักงานของเราหรือว่าที่ไหนแม้แต่ทำงานที่นี่มันก็มีอารมณ์ที่กระทบกระทั่งกันนี่คือเราไม่รู้จักอารมณ์เราต้องเรียนรู้เรียนรู้อารมณ์กาทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะเธอไม่มีอารมณ์ว่าไม่มีอารมณ์แล้วมันจะมีอะไร มันจะมีเด็ดสติปัญญาที่มีอารมณ์อารมณ์นั้นเอาไปเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บสะสมสะสมจนตายสะสมจนตายอารมณ์นั้นน่ะหยุดนิ่งไม่ได้มันกันลิงที่อยู่ในป่านั่นแหละลิงที่อยู่ในป่านะะต้นไม้มือมันไม่ว่างมันไม่ว่าง เดี๋ยวก็โอนไปจับกิ่งนั้นเดี๋ยวโอนจากต้นนี้ไปต้นโน้นมือมันไม่ว่างเหมือนกับจิตนั่นแหละจิตที่มันไม่ว่างก็คือไม่ว่างจากอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ดีชั่วกลางกลางมันก็ยึดมั่นถือมัน่นทางนั้นเน่ยเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลามันอยู่นิ่งๆไม่เป็น อยู่นิ่งนิ่งไม่ได้มันไม่รู้จักก็อยู่นิ่งนิ่งนั่นแหละสบายมันไม่รู้จักอยู่นิ่งนิ่งอย่างที่จายสไลด์ปามคุยกวัวให้ดูสุดท้ายนายคนนั้นมือว่างหมดยกมือขึ้นตรงกลางว่างหมดไม่ยึดมั่นถือมันอะไรหมายถึงว่าจิตว่าง จิตไม่ไปกเกี่ยกวกับอะไรทางนั้นเห็นไหมจิตไปกเกี่ยกวกับความรักจิตไม่ว่างาพอ ร, รักกันนานๆก็โกรธเกลียดอิจฉาลิษยาก็ไม่ว่างไม่ว่างทางนั้นเนียแต่นายคนนั้นยกมือขึ้นสองข้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่น คือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมันอะไรนะเป็นจิตที่ไม่มีอารมณ์เราจะเรียกว่าว่างจากอารมณ์นั่นแหละคือว่างว่างทีนี้เมื่อวานก็พูดเรื่องลักษณะลักษณะเราศึกษาลักษณะของสิ่งต่างๆลักษณะมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงดอกมันเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง แล้วต่อไปมันเป็นยังไงเราก็ขุดคุ้ยออกมาวิจัยพวกดอกไม้ต้นไม้ขุดคุ้ยออกมาวิจัยแต่เราไม่เห็นเราเห็นแต่สิ่งที่เราชอบตอนที่มันออกดอกตอนที่มันมีสีสันเราต้องถามว่ามันมาจากไหนมันเป็นอะไร ในปัจจุบันนี่มันเป็นอะไรในอดีตมันเป็นอะไรในอนาคตต่อไปมันเป็นในอนาคตต่อไปมันเป็นยังไงนี่ให้เราก็มาดูมาดูตัวเองมันมาจากไหนแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงเราขุดคุยเรามาวิจัยเรามาวิจัยดู วิจัยดูแล้วต่อไปมันเป็นยังไงคือร่างกายสิ่งที่จับต้องได้แตนี่จิตมันมาจากไหนจิตนี่มันมาจากไหนในเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่นคือจิตแหละแต่ในความรู้สึกนั้นอย่างไม่ใช่ดียัางไม่ใช่ชั่วยังไม่เป็นทุกตารูป จักูลวิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นมาทีนี้ถ้าจิตนั้นเป็นจิตโง่มันไม่ได้ศึกษาอะไรเลยตารู้จักูลวิญญาณสามอย่างทำงานร่วมกันทําให้เกิดปัจจะการกระทบพอเกิดการกระทบขึ้นมาปอใจเกวัฏสุขเวทนา ไม่พอใจชื่อว่าทุกขเวทนาพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่กลางๆเรียกว่าอาทุกขมาทุกขเวทนานั่นแะเวท น, น, นาเวทนาเวทนาแปลว่าดทนเราต้องทนความสุขที่เราได้ความเพลงเบาๆอาจจะเป็นเพลงไทยเดิมจะเป็นเพลงอะไรเพลงเบาๆนั่นเรียกว่าความสุข สุขเวทนาถ้าวัรุ่นสมัยนี้มันขวางเพลงเพลงที่มาจากนู่นที่กล่อยๆหรือเพลงในตรตทัตมันขวางแล้วมันกดก้าวตรงเลยเหมือนผีก้าวตรงเลยมันเต้นมันยุกหยิกๆยุกหยินั่นคือสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุข ทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจามูกทางลิ้นทางกายเพราะจิตนั้นมันโง่มันก็เลยแสดงออกมาวันผีข้าวทรงนั่นเอาเห็นไหมมันไม่น้อยในะเรื่องของจิตเนี่ยฉะนั้นทางตาทางหูทางจามูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปเรียกว่าก็าจักขู่วิญญาณความรู้สึกทางตา โอได้ยินเสียงโอนี่ภาษาบาลีก็เรียกว่าโสตหรือโสตโสตหูเสียงโสตวิญญาณวิญญาณคือตัวความรู้สึกเรียกว่าจิตพอสามอย่างนี้รวมกลุ่มกันถ้าไม่เกิดปัจจัการกระทบพอกระทบแล้วมันไม่มีปัญญา มันก็เลยไปทั้งจิตทั้งใจทั้งเนื้อทั้งตัวเลยมันแยกไม่ได้แยกไม่ได้เนี่ยธรรมชาติมันจังมีลี้ลับเหลือเกินแล้ว ก, ก็น่ากลัวน่ากลัวมากให้เราเข้าใจทางตาอย่างเดียวทางหูจมูกลิ้นกายใจเ้ว ก, ก็เข้าใจหมดให้เข้าใจอย่างเดียวทีนี้เราต้องมีสติดึงปัญญามาให้ทัน เสร็จแล้วทำยังไงสลัดทิ้งสลัดทิ้งเวทนาทุกเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสลัดทิ้งทุกเวทนาน เ, ทเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสรู้อารมณ์แล้วแต่ไม่รู้จักอารมณ์นั้นเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราสลัดทิ้งไม่เป็น มันก็กติดเราเหมือนปริงอย่างนั้นเนาะเอาออกยากเอาออกยากนี่เรียกว่าเกิดจากทำมารมณ์แล้วก็คิดแล้วคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดๆๆมันโกรธมันเกลียดมันอิจฉามันลิศเยามันพอใจไม่พอใจนั่นมันเป็นเวทนาทังนั้นพวกนั้นเป็นเวทนาทังนั้นธาตุศอกก็เรียกว่าศุกเวทนาทุกก็เรียกว่าทุกเวทนา ทุกขมาตุก็เรียกว่าอจะเป็นกลางกลางเป็นกลางกลงนี่คือเราต้องรู้ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เรามีแต่ทางรับอย่างเดียวเอาไม่ทันไม่ทันเราคึกปัญญาเพื่อที่จะให้ทันที่ตรงนี้ให้ทันที่ปัจจาแต่ถ้าทันที่ปัจจาแล้วเวทนาเกิดเราก็ยังมีโอกาส ที่จะรู้ได้นี่เกิ ด, ด้วทนาแล้วยังไม่รู้เลยไปหาปืนมาทีน่นี่ข้าสามีเป็นที่รักข้าภรรยาเป็นที่รักข้าลูกข้านี่นั่ น, นคือไม่มีทางออกเลยเพราะเราไม่รู้จักเท่าตัน ของเวทนาที่มันมาบีบบีบบีบบีบที่มาหวานพูดว่าไอ้ยักษ์นั่นมันบีบพวกเราทั้งโลกบีบบีบบีบให้พวกเราเป็นมีความทุกข์แล้เราข้าไปยึดมันถือมันแต่ถ้าเราออกไปนอกโลกคือมันบีบจิตของเราแต่จิตเราไม่มีแล้วจิตว่างแล้ว มันจะบีบที่ตรงไหนจิตว่างแล้วมันจะบีบได้เหรอเจตว่างเราไม่มีอารมณ์แล้วอารมณ์รักก็ไม่มีอารมณ์เกลียดก็ไม่มีอารมณ์โลภก็ไม่มีอารมณ์หลงก็ไม่มีอารมณ์โง่ก็ไม่มีเป็นคนไม่มีอารมณ์พอไม่มีอารมณ์แล้วมันก็จะเย็นคนนั้นจะเย็นทีนี้เราปฏิบัติรู้อารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ ไม่อยู่กับอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์แล้วไม่อยู่กับอารมณ์นี่จริงๆที่มันเกิดวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้เพราะมันมีอารมณ์อารมณ์หมาว่าอารมณ์รักอารมณ์ห่วงอารมณ์อิจฉาลิทยาอารมณ์โลภอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี่เขาบวชนานๆก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นเพราะเขาอยากเป็น อยากเป็นเจ้าคุณนั่นอารมณ์อารมณ์มนั้นมาแล้วอยากเป็นเจ้าคุณแล้วต่อไปก็ยศชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนู้นอยากเมีนั่นคืออารมณ์ทางนั้นถามว่าแล้วบทมาทำไมอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะรวยอยากจะรวยก็ไปในทางรวยอารมณ์ทางนั้นก็เราไม่รู้เท่าทันมันเสร็จแล้วอารมณ์นั้นแหละ มันําตายเสียหายเลยอย่างเนี่ยเมื่อวานก็กดลงเรื่องนังตือพิมพ์ทีนี้อย่างฤฤษศีก็ยังได้ฌานสมัยก่อนฤฤษีได้ฌานทําตัวเบาห่อได้ห่อได้หอกันเป็นว่าเล่นเหมือนเครื่องโล่นอย่างนั้นห่อได้เฤฤษศีตนนั้น พอในตอนบ่ายก็เวสสีของพระราชาองค์หนึ่งนอนบนปราสาทชั้นที่เจ็ดเพื่อจะเปิดหน้าต่างรับลมแต่นอนร่างกายท่อนบนไม่ได้ใส่เสื้อคิดว่าอยู่ชั้นบนไม่มีใครเห็นรือสีตนนั้นห่อไป ไปถึงเห็นมีความยินดีเห็นไหมมีความยินดีในอารมณ์นั้นตกดินทันทีนั่นแหละตกดินทันทีนี่านจานจะตกเสื่อมจานเสื่อมนี่พอจานเสื่อมในประเทศไทยนี่ก็ไปหากินทางนอกหากินได้สักพักหนึ่งมันก็เสื่อมอีกละนั่นานจาน ดังนั้นจานเนี่ยมันเป็นฐานไม่ใช่มันเป็นหัวแหวนมันเป็นฐานสําหรับที่จะเอาหัวแหวนหัวเป็รเนินจินดาใส่เข้าไปใส่เข้าไปในฐานนั้นนะไม่ใช่หัวแหวนมันเป็นเรือนแหวนมันเป็นเรือนแหวนจานน่ะทีนี้ผู้ที่ได้จานต้องย ก, กจิตที่ได้จานนั่นแหละจิตที่มันนิ่งนะขึ้นสุวิปชาณะ พิจารณาสิ่งทั้งปวงอะไรก็ได้พิจารณาสิ่งทั้งปวงว่าเป็นนนิตจังทุกขงังอนัตตาสุญญตาทีนี้พวกที่ได้ฌานด้วยกันมันก็ข้าวกันได้ทีนี้มันต้องมีครูบาฌานไม่มีครูบาฌานไม่ได้สองพ่อเวลาถึงเวลาอย่างนั้น มันเกิดปีตีน้ำตาไหลร้ลองหม่มร้องไห้แย่มันไม่แค่นั้นสามวันสามคืนสี่วันสี่คืนหน้าวันหน้าคืนเวลาเดินอย่างนี้เหมือนกับเราเอาน้ำ ม, มันใส่ในบาตรนะเต็มบาตรเดินยังไงอยาให้มันกระฉอกค่คอยๆเดินเดินเดินเดินดลนิดลนิดิลนิดลนนิด งานนะ้ำมันนั่นมันกระจอกแล้กว่าหกเห็นไหมก็เลยไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่างนั้นมันเป็นปีตีเามันไม่ได้เป็นพบพบแวบๆมันเป็นหลายวันเอาเวลาเราจะกินอาหารก็รีบรี บ, รบกินอาหารเพราะว่ามันอิ่มอกอิ่มใจอยู่ถ้าจะกินอาหารที่อ่อนๆ อ, อ, อะไรอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้เราต้องประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดที่อยู่ในองค์ฌานคือปีติเดินก็ต้องระวังนั่งก็ต้องระวังจะทำอะไรก็ต้องระวังเือไม่ให่ปีตินั้นมันหลุดไปไม่ใย่ปีติมันหลุดไปทีนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆ วิตกวิจารปีติสุขเอกกตามันก็ขึ้นตามลําดับตามลําดับนั่นจานที่หนึ่งวิตกพราะที่สองก็วิจารณที่สามก็ปีติที่สก็สุกที่ห้าก็เอกกตาวิตกวิจารนี่มันรองตัวนี้ร่วมกันปีติเป็นตัวที่สองสุก ตัวที่สามเอกะกะตาที่สี่คือจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งวตกวิจารณ์ตัวหนึ่งวิตติตัวหนึ่งสุขตัวหนึ่งวิจารณ์ตัวหนึ่งนี่รูปฌานรูปฌานฉะนั้นเราปฏิบัติต้องมีครูบาจารย์ถ้าไม่มีครูบาจารย์เราข้าวไปยึดมั่นถือมัน่นผลที่ออกมาคือเป็นคนวิกจลจริตนั่นเห็นไหม จะคนวิกนจริตที่เขาบอกว่าอย่าไปนั่งเลยสมาธิทําสมาที่แล้วจะบ้าไอ้ตามที่จริงเราบ้าอยู่แล้วบ้าอะไรบ้าความยึดมั่นเถือนมั่นที่ไม่ไม่ทําสมาธิ่มันก็บ้าอยู่แล้วยึดมั่นเถือนมันอันนั้นอันนี้อันโน้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารงเราก็บ้าอยู่แล้วพอไปทําสมาธิ บ้าค่ายขึ้นเลยทีนี้นั่นเน่ยวันบ้ามากพอไปตั้มอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ายึดมั่นถือมันอะไรมันก็ยึดมั่นถือมันหมดเห็นไหมนี่แหละคืออารมณ์อารมณ์ในฌานนี่ก็อย่างห น, นึ่งวิตกุิจานปีติสุเกะกักตาอารมณ์มันเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนครูบาอาจารย์เขาจะทำความก้าใจให้เราเพราะ พ้นรูปฌานก็ขึ้นอรูปฌานเขาขึ้นอรูปฌานเขายิ่งละเอียดเข้าไปอีกนี่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นระยะระยะระยะไม่ใช่ว่าทําอยู่สามวันเจ็ดวันแล้วมันก็จะได้มันค่อยๆขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปที่ตรงไหนเราตัดสินใจเองไม่ได้ต้องหาครูบาอาจารย์ ทีนี้ยิ่งอรูปปัจจานละเอียดเช่นว่าอากาศสานันใจยตนะอาอากาศมันเป็นอารมณ์อเอาอากาศมาเป็นอารมณ์วิญญาณนันใจยตนะตัวรู้คิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้ก็คิดว่ากูรู้อืมบ้าเหมือนกันนั่นก็บ้าเหมือนกันเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่พระที่บ้าอย่างนั้นในที่เที่ยวบรรยายบรรยายอยู่ก็มี วิญญาณันใจยตนะคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้แต่ใครเป็นผู้รู้ก็กูรู้นั่นแหละกูรู้กูเป็นปาลานแล้วกูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่นนั่นคือบ้าประเภทหนึ่งบ้าประเภทหนึ่งเหมือนกันเนี่ยวิญญาณันใจยตนะเนีย่ยพอขึ้นอากินจนะัญญายตนะเนี่ยจัญญาณาจัญญายตนะนนัดึงโูงขึ้นโูงขึ้นโวงขึ้น ถ้าเราทําจบก็ดีความรู้มันละเอียดแต่ถ้าเราทําไม่จบก็ไม่มีปัญหาย ก, กจิตที่เป็นชานนี่แหละขึ้นรูสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องคือเห็นด้วยปัญญานะจะเห็นกับตามีความเห็นอันถูกต้องก็คือเห็นอริยสัจสีนั่นแหละ ไม่เลยอริยสัจสีไปก็ อ, อื่นไม่มีต้องเห็นอริยสัจสีนั่นแหละนี่ในเรื่องของฌานเราทําให้เกิดฌานคือจิตมันรวมพอจิตมันรวมแล้วทำให้เกิดพลังอย่างนี้ถ้าฤาษีจีไพรเขาก็ทําจิตรวมได้เหมือนกันอในสมัยนั้นสมัยของพระพุทธเจ้าฤาษีก็ได้ฌานกันเยอะแยะ เ, ยะเยะต็มไปหมด เพราะเขาไปหาทำอย่างไงอยากให้มันตายไปหาความไม่ตายกันในป่าในป่าหิมพม า, านนะเจองค์พระโวิมารัยก็ไปหากันหากันก็ไปหยุดนิ่งอยู่แค่ชานดังนั้นเลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่หลุดรอดออกมาได้พระองค์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่โอตกาดาบทรูปฌานสี่ ท่านไปศึกษาจบาคุณไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี้แหละเป็นครัววาจานต่อจากผมไปเป็นยังไงพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นคือนักบวชพระพุทธเจ้าอไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปที่อื่นต่อท่านก็เลยส่งไปที่อาราราดาบดนี่ขึ้นอรุปรชาติไปที่นั้นจบ ก็าถามว่าแล้วยังมีอีกไหมท่านบหมดความรู้แล้วไปเองเองเห็นไหมนั่นท่านไปเองฉะนั้นฌานนี่ฌานนี่เป็นฐานฐานของปัญญาฐานของปัญญาไอ้นี่ตัวปัญญาก็คืออริยมรรคไม่องแปดนั่นแหละก้อนหนึง่งสมาธินี่สำคัญมากแล้วเราก็เดินต่อไปต่อไปไม่ต้องปฏิบัติตามลำดับหรอก ธรรมะติฏฐิสัมมาถังกับโปธรรมาวา่าจะมันไปเองไปเองนี่นเรื่องของฌานคือเรื่องของพลังจิตทีนี้เรือซื้อฉีพรัยเนี่ยเขามีพลังจิตทางนั้นมีพลังจิตทางนั้นเล่นกลกันเก่งทางนั้นเลยอ่าพอมีพลังจิตแล้วตอนเช้าเช้านั่งอาบแดดแป้งดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆหม่แป้งดวงอาทิตย์ พอเพ่งดวงอาทิตย์เสร็จเป็นยังไงพอแดดกล้าก็หยุดคือเพิ่มพลังเพิ่มพลังความร้อนก็ไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปทุกวันเพิ่มเข้าไปทุกวันทีนี้ก็จะมีสวิตเหมือนสวิตไฟมีสวิตเพราะเขเป็นยังไงก็เพิ่มเอาไปเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บความร้อนพอถึงเวลาหนาวเขาก็ไปจี้เส้น เส้นหนึ่งเหมือนสวิตควยยายนะไปเปิดสวิตนั้นก็ทําให้ควยแห่งของดวงอาทิตย์นั่ น, น, นที่เขาเก็บเอาไว้นั้นสามารถที่จะไล่ความหนาวออกไปได้นี่เห็นไหมเทคนิคเทคนิคในการเล่นฌานเองแล้วสามารถที่จะรู้ใจคนนี้รู้ใจคนนั้นคุยกันทางด้านจิตใจอะเหมือนกับเราคุยทางโทรศัพท์อย่างนี้นั่นเล่นฌาน การปวกเรียนฌานได้ก็ห่อได้อะไรได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงเรามาสรุปว่าดับทุกข์ไม่ได้มันดับทุกข์ไม่ได้เแล้วเอาไปไหนดับทุกข์ไม่ได้ทีนี้เหมือนพวกเราเนี่ยแหละหลวงพ่อคิดว่าน่าจะไม่ผิดเราก็ไปหาสำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน้นเขาว่าโอ้อาจารย์โน่นดีอาจารย์นี่ดี คอหาแต่อาจารย์กันไม่ต้องหามันเสียเวลาเอามาชักอาจารย์หนึ่งแล้วก็พิสูจนว่าดับทุกได้ไหมพอลองปฏิบัติดูมันดับทุกไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นี่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่มันไม่ต้องอาเชื่อหลวงพ่อหรอกเอาไปปฏิบัติแล้วดับทุกขได้ไหมไอ้ไม่ใ่กูเนี่ยมันดับทุกได้ไหมไอ้ไม่ใ่กูก็มันว่าง มันว่างจากตัวกูแล้วใครว่างจากตัวกูก็จิตนั่นแหละจิตที่มันฉลาดนะมันเห็นสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของจริงสิ่งทั้งปวงไหลไหลไหลเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่ทีนี้จิตว่างจากตัวตนมันไม่มีตัวตนจริงเราโง่เองถ้ายึดมันถือมันมันว่ามันมีตัวตนเห็นไหมนี่แหละ อันก็เลยแม่แต่หลวงพ่อพูดเองไม่ต้องเชื่อแต่ต้องเอาไปพิสูจน์ทีนี่ไปสำนักไหนไหนก็ไปเถอะปล่อยไปเลยแต่ว่าพอเราไปแล้วปฏิบัติปฏิบัติไปหรือว่าตาคนที่มีไอคิวดีๆก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงเนี่ยว่าดับทุกข์ไม่ได้อันนี้ดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอา เอาทำอะไะดับทุกไม่ได้หลวงพ่อไปสวนโมกเนี่ยไปอยู่ที่เดียวไปสวนโมกพอได้อ่านหนังสือกู่มือมนุษย์ไปเลยไปเลยหามานานแล้วแต่ไม่ได้วิ่งหาเพราะหลวงพ่ออยูอ่ในร้านขายผ้าแล้วก็มันดิ้นรนเต็มทีแล้วแต่ไม่ได้เที่ยววิ่งหาพอได้คู่มือมนุษย์มาเล่มหนึ่ง ตัดสินใจเลยแน่นอนนี่คือแน่นอนดับทุกได้อย่างนี้นี่แหละโ ย, ยไม่ต้องเปลืองเงินไม่ต้องเสียเงินเสียทองเล้วก็บอกว่าอู้ที่โน้นดีที่นั้นดีที่นี่ดีทางนั้นดีทางนั้นแต่ดีมากดีน้อยแกนั้นเองนี่เราต้องตัดสินที่ว่าดับทุกได้หรือดับทุกไม่ได้ถ้าดับทุกได้เอาเลย แต่ถ้าทำนักโน้นก็ดับทุกได้ทำนักนี้ก็ดับทุกได้ก็ไม่ต้องไปมันหลายสำนักทีนี้ถ้าไอ้ดับทุกไม่ได้อาจารย์พูดดีอาจารย์พูดเก่งเอาไปจมอยู่ที่นั้นอีกแล้วมันเสียวเวลาใครเสียวเวลาเราในทีนี้นั่นเอานี่วันนี้ก็โดยคุยเรื่องอารมณ์กันแค่นั้นเราต้องศึกษาตัวเองการปฏิบัติธรรมนี่คือการศึกษาตัวเอง ศึกษาอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณปัจฉเวทนาออกไปถึงเวทนาแล้วต้องระวังแล้วต้องสลัดทิ้งแล้วตามไม่สลัดทิ้งตัณหาตัวอยากมันจะมาตัณหามาอุปาทานมาพบมาชาติมาจะรามรณะโศกาปริเทวะมามาหมดความทุกข์ก็เลยสมบูรณ์แบบที่ตรงนั้น ใ น, นจะพูดเรื่องปฏิจจารมุปบาทต้ทนหลังก็น่าจะเข้าใจกันยากนะคอยว่ากันวันอื่นเอาวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้